หนังสือพร้อมซีดีสวดมนต์มงคลชีวิตคู่มือไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสร้างสรรค์โดยสำนักพิมพ์เลียงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสตร์ท่านผู้ประสงค์จะพิมพ์หนังสือสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานโปรดติดต่อสำนักพิมพ์เลียงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสตร์หนึ่งทับเถนนประชาอุทิศซอยสี 5, แขวงบางมดเขตทุง่งครุกรุงเทพมหานคร รหัสปริศนี10140โทรศัพท์หมายเลข 02-872-9898 02-872-9191 และ 02-872-7227 ท่านสามารถเข้าชมหนังสือสื่อธรรมดีๆได้ทางเว็บไซต์ www.lc2u.com หรือฟังธรรมะออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงได้ที่ www.fm9525radio.org วิทยุคลื่นไทยธรรมวิทยุสื่อธรรมปลอดโฆษณาทางธุรกิจและการเงิน